ปูชาจะปูชนียานั่งเอตัมมังคารมุตตมันติติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลที่หลวงพ่อมาแสดงธรรมณ์ศาลาแห่งนี้ครั้งก่อนหลวงพ่อได้มาแสดงธรรมเพราะเป็นวันสวดอภิธรรมหลวงปู่ทูลของเรา หลวงพ่อก็ได้ยกภาสิทธิ์ขึ้นว่าอ น, นิจจาวัตสังขาราอุปาทวะยธรรมมิโนแต่วันนี้หลวงพ่อได้ยกพาษิท์พุทธภาสิทธิขึ้นว่าอาเซวันาจะบาลานังบันริตานเนันจะเซวานาปูชาจะปูชนียานังเพราะเหตุว่าวันนี้ท่านอาจารย์พ่อครูปิยะศรีราจาร ท่านอาจารย์ชัยาของเราท่านมีอายุครบหกสิบปีพัรษาของท่านก็ยี่สิบสี่เน่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดตากน้ำพุแต่ในนี้ท่านก็เดิมาอยู่ที่วัดป่าบ้านค้อดูแลกิจการงานของหลวงปู่ทูลของเราเป็นกำลังหลักเ่ท่านบวชเข้ามาท่านก็อยู่ที่วัดป่าบ้านค้อแห่งนี้เป็นลูกศิษย์เอ ก้นหม้อของวัดป่าบ้านค้อจากนั้นท่านก็เลยแยกย้ายไปสร้างวัดตาดน้ําพุวัดตาดน้ำผู้ก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นดันว่าท่านพระครูปิยะศีล า, าจารย์ของเราท่านจะว่าไปแล้วก็มีความสามารถอยู่ในตัวมากทีเดียวถึงอายุพรรษาจะน้อยแต่ก็มีความสามารถอย่างมาก หลวงพ่อเองก็นึกชมในจิตใจอยู่ว่าท่านยาเนี่ยอาจารย์พวอครูเนี่ยเป็นผู้มีหลักเนี่ยยึดมีจุดยืนเท่านน่เนี่ยจากนั้นท่านก็อาจารย์พวอครูจิตสุนทรทอนท่านก็ได้ลาออกจากเจ้าคณะอำเภอบันผือท่านก็มอบให้อาจารย์พอครู ปียศีราจานย์ของเราเนี่ยเป็นเจ้าคณะอําเภอบ้านผือแทนเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านผือเอออันนี้ก็เป็นหลักอีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อว่าอาจารย์พัูของเราเนี่ยถึงยังไงถึงจะไปสร้างที่ตับน้ําพุเป็นวัดที่นู้นแล้วก็จริงแต่ก็ ควรในยุคนี้สมัยนี้การนี้หลวงพ่อเห็นด้วยอย่างยิ่งจะต้องท่านจะต้องย้ายมาอยู่ที่วัดป่าบ้านคลองมาเป็นหลักอยู่จุดนี้แต่นี้หลวงพ่อยังไม่ได้ถามใครหรอกยังไม่รู้จากใครหรอกแต่ว่าหลวงพ่อคิดอย่างนั้นถ้าคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ร้อยเปอร์เ็นพันเปเซ็ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้มาในงานวันเกิดของท่านคือวันนี้เ อ, อ วันนั้นหลวงพ่อจึงหนียกพุทธภาสิทธิ์ขึ้นว่าอาเซวานาเจบาลานะอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังวันนั้นการทําบุญหรือว่าลําลึกถึงวันเกิดแต่ตามไม่จริงทุกคนพวกเราทุกคนก็มีการเกิดเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าการเกิดของเรา เลือกเกิดไม่ได้ทำไมเลือกเกิดไม่ได้ถ้าพวกเราเกิดได้พวกเราคงจะไปเกิดกับลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ร่ารวยเราคงจะไม่เกิดออยู่ในฐานะอย่างนี้เพราะเหตุไรเพราะจิตใจของมนุษย์ชาติจิตใจทุกดวงปีญญาณที่เกิดมาในโลกนี้ไฟสูงไฟสูงสมมติว่าเราเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้นหะไม่ต้องคิดถึงใครอื่น พอมาเกิดเสร็จแล้วเลยเราก็อถ้าต่อไปเราจะอาจจะเกิดเป็นสูงกว่านี้ยศถาบรรดาศกักสูงกว่านี้หรืออาจจะได้เป็นเถวบุตรเทวดาอินพรมเอหรือว่าอะไรสําเร็จพระอริยบุคคลพระโสดาสกธาคานานะอรหันต์ก็คงจะดีกว่านี้อันนี้สรุปแล้วก็คือใยสูงแต่นี้สัตติรชานเขาก็เหมือนกันเขาก็คงจะใยสูงเหมือนกับพวกเราเหมือนกัน โอ้ถ้าเกิดเป็นสัตว์อย่างนี้ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะดีอันะอนี้แหละเนะี่ยอันนี้ก็คือการไฟสูงของเขาแต่นี้ต่อไปเมื่อการไฟสูงขึ้นมาเนี่ยคือความปรารถนาถ้าจะว่าไปคือความปรารถนาใจของมนุษย์ใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาอยากจะเกิดในที่สูงสูงขึ้นตามลำดับแต่บางครั้งแต่บางครั้งบางคนก็ไม่สมความมุ่งมา่ปรารถนาเพราะเหตุใด เพราะตัวเองทำกรรมชั่วซะในขณะที่ถึงจะตั้งความปรารถนาและอยากจะเป็นอยากจะได้ขั้นสูงขึ้นไปก็จริงอยู่แต่ตัวเองทำกรรมที่ไม่ดีทำกรรมชั่วกรรมชั่วนะั้มากระตัดรอนลงอีกตกต่ำลงไปอีกแต่ถ้าว่าเราปรารถนาสูงแต่เราก็สั่งสมคุณงามความดีขึ้นไปเรื่อยเราไม่ทำกรรมที่สิ่งที่มันที่จะเสียหายชั่วช้าลามกเราก็จะ ได้รับประสบความสำเร็จสมความตั้งใจเอาไว้เราจะจะ็จะเปเกิดในสถานที่ดีกติที่เหมาะสมสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกนะแต่ถึงยังไงก็าตามการเกิดของพวกเราถึงขนาดนี้แล้วก็คงจะเป็นบุญกุศลเก่าในอดีตยึงได้มาเกิดในประเทศชาติบ้านเมือง ได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้มีบุญทีเดียวถ้าถือว่าเป็นผู้มีบุญนะเนี่จว่าบุกเพกะตะปุญจะตาเพวกเราคงจะทำกรรมไว้ในอดีตจึงได้มาเกิดอย่างนี้ถ้าว่าพวกเรามาเกิดแล้วแต่เราทำตนไม่ดีอาีอัตตะสมาปณิทิถ้าตนตั้งตนไว้ไม่ชอบเอาจจะตกต่ำลงไปอีก เพราะนั้นที่พวกเราได้เกิดมาในภพนี้ชาตินี้ได้พบพพุทธศาสนาอแล้วก็อย่างท่านพระอาจารย์ชยยาของเราเนี่ยก็พ่อบุเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เพียงแค่นั้นท่านจังจได้บวชในพระพุทธศาสนาอีกยังได้ปฏิบัติธรรมอีกยังได้แนะนําพี่น้องประชาชน อ, อ, อีกแล้วก็ได้ดูแลคณะสงฆ์อีก หลวงพ่อว่าท่านไม่เสียไม่เสียชาติเกิดเกิดชาตินี้ละงั้นแต่ส่วนมรรคผลนิพพานที่ท่านจะได้บรรลุมรรคผลนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่กล้ากล่าวว่าท่านได้สําเร็จมรรคผลยังไงมากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเองแต่ว่าท่านขี้เกียจท่านก็คงจะไปไม่ถึงไหนถ้าท่านขยันท่านคงจะถึงมรรคผลนิพพานของท่านะ แต่ถึงยังไงก็ตามท่านก็ ท, ท่านตรงมุ่งมั่นมุ่งหวังสู่มรรคสู่ผลของท่านเหมือนกับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆอย่างหลวงพ่อนีเป็นต้นหลวงพ่อเองก็เป็นนี่แหละมุ่งหวังมุ่งมั่นสูงทีเดียวในจิตในใจแต่จะถึงจุดหมายปลายทางอย่างไงนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคต พวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะเชื่อเดียวกันไม่แพ้กันในการสั่งสมคุณงามความดีในการสั่งสมบุญใใครก็ปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงพระนิพพานจะไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดอีกอันนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์ของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสังสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าละเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ เจ็บไข้เป็นทุกตายเป็นทุกมันก็เป็นทุกจริงจริงตั้งแต่เราเกิดมาออแล้วก็หายใจฟอดแฝดฟอดแกจากนั้นก็ เ, ออเจ็บไข้ได้ป่วยจากนั้นก็แก่ชราออแต่การแก่ชราเนี่ยสมัยเป็นเด็กเราก็ไม่เท่าไหร่มันก็แก่ขึ้นเรื่อยๆแต่พอมาถึงกลางคนเท่านั้นแหละที่ ความแก่จุดนี้แหละจนถึงผมงอกผมขาวเข้ามาฟันหดล่วงเข้ามาหูตึงเข้ามาหนังเหี่ยวย่นเข้ามาที่นี่หละเห็นได้ชัดเลยท่อันแรก็คือความแก่ต่อไปก็เนี่ยก่อนที่จะตายก็มันต้องทนทุกทรมานซะก่อนหายใจไม่ออกซะก่อนเะเอยมันต้อง ม, มีเวทนาซะก่อนก่อนที่จะใจขาดได้ จากนั้นก็จุดจบของชีวิตอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้ากล่าวเตือนของเตือนพวกเราท่านทั้งหลายว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนถึงจะดูอยู่ดีมีสุขขนาดไหนพวกเราก็ให้ระวยงระวังอย่าไปลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปนการส่อแสวงหาทรัพย์ก็ให้ส่อแสวงหาอย่าอยู่เฉยๆอย่านิ่งดูได้ ให้มันขยันในการหาทรัพย์จากนั้นก็ให้รู้จักใช้ชับให้รู้จักบริหารจัด ก, การตนเองในการเป็นพอยู่เพราะพวกเราการเป็นอยู่ของพวกเราร่างกาย ค, คือส่วนหนึ่งการเป็นอยู่ของ ชีวิตของพวกเราต้องอาศัยปัจจัยสีแต่เราจะไปมุ่งหวังแต่ปัจจัยสีอย่างเดียวเขาไม่ถูกต้องแต่เราก็ต้องอาศัยปัจจัยสีปัจจัยสีนันคืออาหารบิอาหารการบริโภคผ่านมุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอันนี้คืออาหารคือเป็นของร่างกายที่จะต้องอาศัย เราจะพึ่งอาศัยแต่อาหารอย่างเดียวก็จะคงจะไม่ถูกต้องคงจะดูแลสุขภาพกายเนี่ยตัวเองด้วยการดูแลสุขภาพกายท้องทายัางไงเราจะหาเงินมาอย่างเดียวมาดูแลสุขภาพกายก็ไม่ใช่ไม่ถูกการดูแลสุขภาพกายก็คือทานอาหารเป็นเวล่วลาและก็พักผ่อนนอนแล้วออกกำลังกายอันนี้คือการดูแลสุขภาพกาย แต่าพวกเราดูแลสุขภาพกายดีอายุของเราก็จะยืนนานแล้วก็มีสุขภาพดีแต่เรามีแต่มุกมุนมีแต่ทการหาเงินหาทองอย่างเดียวจนไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างนั้นสุขภาพของเราก็ย่ำแย่เมื่อได้เงินคำทรัพสมบัติมากมายขนาดไหนแต่ร่างกายของเราเป็นเส้นเลือดแตกในสมองสรพูดง่ายๆนะ ประโยชน์ข้าวต้มอยู่ที่ห้องไอ u เงินร้อยล้านพันล้านเราคิดดูก็แล้วกันจะเกิดประโยชน์สำหรับสาหรับคนคนนั้นไหมไม่เกิดประโยชน์แน่นอนเพราะเหตุใดเพราะว่าสุขภาพของเขาแย่แล้วอันนี้คือการดูแลสุขภาพกายก็จำเป็นการดูแลสุขภาพจิตจิตใจของเราต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยมันมีเรื่องอะไรต่อมิอะไรเข้ามาสู่ตัวของเรา โลกกระทำแปดโลกกระทำสี่ที่ไม่พึงปราถนานะนะเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกเนี่ยไม่เป็นที่พึงปราถนาของพวกเราเนี่ยก็จะต้องเข้ามาแทรกเข้ามาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรักษารักษาสุขภาพจิตของพวกเราอีกเหมือนกันถ้าเราไม่รักษาสุขภาพจิตทําให้จิตจิตของเราเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นกับโลกธระทำสี่นั้น ทำให้จิตใจของเราว้าวีอ้างว้างเป็นทุกข์เป็นร้อนปล่อยจิตปล่อยใจคิดเนกับถิ่นเหล่านั้นจนไม่มีการระงับยับยั้งจิตใจของตนเองอันนั้นใจของเราก็จะเป็นทุกข์พอใจคิดมากๆปรงปุ้งซ่านมากๆ ก, ก็เสียศูนย์ได้อีกเหมือนกันพอเสียศูนย์เข้าไปแล้วทำยังไงถึ เ, เข้าโรงพยาบาลศีรัญยาหาสโบพบอรทีเพราะเหตุใ เพราะว่าใจของเราไม่มีการยับยัง้งไม่ดูแลสุขภาพจิตการดูแลสุขภาพจิตนั้นที่ดีที่สุดก็คือภาวนาหลักของพุทธศาสนาเนี่ยนี่แหละหลักจิตภาวนาเนี่ยแหละอันนี้แหละคือการดูแลสุขภาพจิตดีที่สุดหมอจิตเวช ท, ที่ดีที่สุดนี่แหละดูแลสุขภาพจิตนี่แหละคือบริกรรมพุทโถบังคับ ให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งที่พระพุทธเจ้าที่พรท่านไปบำเพ็ญอยู่ในป่าดงพงไพยถัง้งหกปีนี่แหละท่านโาวนาท่านดูจิตดูใจของท่านท่านกาหนดลมหายใจเข้าออกในวันเดือนหกเพนที่เป็นวันที่ตัดรู้ธรรมของพระ อ, องค์พระ อ, องค์กาหนดลมหายใจเข้าออ รูว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่หายใจออ ก, ออกมีสติกับลมหายใจเข้าออกตอนปฐุมะหยาบเนีตอนหัวค่ำเนี่ยพระองค์นั่งสมาธิพระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะนั่งกัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเวลาเริ่มต้นเราจะทำํำยังไงนี่แหละยึดกรรมฐานของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักยึดเบื้องต้นคือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อกําหนดลมหายใจเข้าออกสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วนั่นแหละท่านี้จิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบ แต่เราจะเปรียบเทียบให้ฟังแบบง่ายๆเ <Hey, S 1> เราก็จะกาหนดอย่างไรสมมติว่าเราไปยืนอยู่ข้างประตูเวลาคนเข้ามาในประตูเราก็รู้ว่าคนเข้าเวลาคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปเรายืนอยู่ที่ข้างประตูเวลาคนเข้ามาเราก็ไม่ต้องตามคนเข้าไป เวลาลมออกเวลาขนออกไปเราก็ไม so, ่ต้องตามคนออกไปคือเวลาหายใจเข้าเราก็ไม่ต้องตามเข้าไปถึงท้องของเราเวลาหายใจออกเราก็ไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกให้ยืนอยู่ข้างประตูให้อยู่ที่ปลายจมูกลมผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าลมผ่านเข้ามาลมออกผ่านออกไปเราก็รู้ว่าลมผ่านออกไป เพียงแค่นี้ะอันนี้แหละคือสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ว่าเรากำหนดอยู่ที่ปลายจมูกกำหนดลมที่อยู่ที่ปลายจมูกของเรานี่หละอันนี้คือพิธีการกำหนดลมแต่บางครั้งบางท่านพอกำหนดไปแล้วมันหลงมันลืมออมันเผลอมันไพลไปมันจุดหรือว่ามันมันหลงไปมันลืมไป อันนี้เราต้องตั้งต้นใหม่วิธีการตั้งต้นใหม่หลวงพ่อแนะวิธีหลายวิธีแนะวิธีนับก็ได้เลเวลาหายใจเข้าเรานับหนึ่งเวลาหายใจออกเรานับสองเวลาหายใจเข้านับสามจอกนับสี่นับห้านับหกจนถึงร้อยแล้วกลับมาอีกมานับหนึ่งใหม่อีกเล่านับหนึ่งเป็นยังไง คือเวลาเรานับเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าเราเผอหรือไม่เผอถ้าว่าหายใจเข้าเป็นเลขคี่นะหายใจออกเป็นเลขคู่นะเป็นเลขสองหายใจเข้าเป็นเลขสามหายใจออกเป็นเลขสี่นะมันขี่คู่คี่คู่กันอย่างนั้นแต่ทนี้ถ้าว่ามันจะเผอนะเออมันจะเลือนเลื่องเบอร์ไปเวลาหายใจเข้านะมันจะเป็นสี่สิบสี่ แมาหาใจออกมันเป็นสี่สิบห้าอย่างเนี้ยนะแสดงว่าเราเผลอแล้วเราขาดสติแล้วเอาตั้งตนไหมแม่กำหนดไหมอีกเดือนหนึ่งใหมสองไหมถ้าเรานับได้ไปเผลอถึงร้อยนะสักสิบครั้งเราก็ได้สิบนาทีแล้วเราไม่เผลอสิบนาทีแปลว่าตั้งต้นได้สิบนาทีไม่เผลอนะอันนี้เราเรารู้ได้ด้วยตนเอง แต่ถ้ามันยังมีเผลอออกไปอยู่มันยังปงฟุ้งซ่านออกไปอยู่ให้สำทับอยู่ที่ใจทีนี้แห่บริกรรมที่ใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอาใจบ่นเลยทีนี้เนี่ยแต่อย่าไปเกลี่อย่าไปกรึงเนีอย่าไปเพ่งอะไรมากทําแบบสบายๆนะก็เนีบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนีนี่แหละจากนั้นมันไม่มีช่องว่างที่จะออก ใจไม่มีช่องจะออกไปใจก็เข้าสู่ความสงบได้เนี่แหละวิธีการทำจิตให้สงบมีหลายหลายวิธีพระพุทธเจ้าจึงวางกรรมฐานไว้ทั้งสี่สิบอย่างกันนอกจากนั้นก็นยังมีอีกที่จะทำจิตให้สงบเนี่ยจะทำยังไงจะเป็นกรรมฐานอะไรก็ได้จะทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งให้ได้เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่าอย่างตั้งเสียวผิงเขาว่า แมวสีอะไรก็ได้ถ้าจับหนูได้แปลว่าใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานไหนก็ตามถ้าจับจิตใจต้งเองตัวเองให้อยู่ดเอด้วยความสงบได้นั่นแหละกรรมฐานนั่นอ่ะประเสริฐเลิศประเสริฐสําหรับคนคนนั้นเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดอย่างนี้ยาประเภทไหนที่ระงับไข้หวัดของเราได้ชงัดยาขนานนั้นประเสริฐสําหรับเราอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าว่าพวกเรายึดกรรมฐานไหนจิตใจของเราได้รับความสงบเย็นเนี่จิตใจไม่ปุงฟุ้งซ่านนั่นแหละกรรมฐานน่ะเลิศประเสริฐสําหรับคนคนนั้นแปล ว, ว่าถูกกับจริตกับท่านผู้นั้นนี่แหละพิธีการภาวนาเนีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ท่านกล่าวไว้ท่านเขียนแผนที่ให้พวกเราได้ศึกษา พระพุทธอง์นั่งอยู่โฟนต้นโฟนกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในปฐมยามพอถึงแหน่พอจิตสงบครบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานะพอเกิดฌานขึ้นมาแล้วฌานนี้เป็นผลพลิตได้จากสมาธินะ่ะถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วเกิดฌานแหนเกิดญาณเกิดฌานพอเกิดฌานพระพุทธองค์ก็น้อมจิตลําลึกถึงชาติผลหลังเลยผลหลังเึง น้อมระ ล, ลึกถึงดูชาติผลหลังเนียว่าปุเพนวาสานุจติยานระ ล, ลึกชาติผลหลังได้อันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกคนว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนี่พวกนี่แหละคือหลักพิสูจน์ในหลักในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพิสูจน์อย่างนี้เมื่อจิตสงบซะก่อนเกิดความรู้ขึ้นมาระ ล, ลึกชาติผลหลังได้ก็เป็นอันว่าพวกเรามีอดีตชาติ ไม่ใช่เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวชาติที่แล้วใน ม, มีตามหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาดูแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วไม่สูญแน่แน่ตายแล้วเกิดอีกจากนั้นพระองค์ก็พยายามนั่งจนถึงเที่ยงคืนไม่ลดละ พิจารณากำหนดดูว่าใจดวงนี้มาจากไหนมาเกิดและออกจากนี้จะไปไหนจากนั้นพระ อ, องค์ก็พิจารณาดูสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกอีกว่าทวกดวงวิญญาณมาจากไหนมาเกิดจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ตัสรู้ธรรมอีกขั้นที่สองว่าจุตูปะ ป, ะปะตาตญาณการจุดติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไร พอพระพุทธองค์กาหนดดูแล้วพระพุทธองค์บอกว่าเหมือนกับหาผลวิญญาณมาเกิดเกิดตายเกิดตายเหมือนกับหาผลมันเต็มไปหมดเลยนี่แหละวิญญาณของสรรพสัตว <'s> ์ทั้งหลายเกิดตายในโลกทั้งเกิดทั้งตายทั้งเกิดทั้งตายตัวเกิดก็มีตัวตายก็มีตัวมาเกิดก็มีตัวตายไปก็มีนี่แหละวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธองค์ก็รู้ด้วยญาณของพระองค์อีกพอจวนสว่างพระพุทธองค์ก็ได้ตัดสรู้ธรรม เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณชาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะพระพองค์ได้ชําระใจของพระองค์ออกจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะเพรืฉะนั้นนี่แหละทำคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติไปแล้วมีจุดจบคือถึงจุดจบก็คือพระทิพผานชําระใจของพระองค์ให้หมดจดจากกิเลสจากอาสวะกิเลส เ, เมื่อชําระใจหมดจดแล้วท่านจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารเป็นอนันตการเพราะท่านสําลอกด้วยว่าท่านชำระใจของพระ อ, องค์ที่เชื้อที่จะทําให้เกิดเวียนไหวตายเกิดทั้งออกจากพระทัยของพระ อ, องค์แล้วคือเชื้อหรือคือกิเลสราคะโทสะโมหะดับศูนย์ไปแล้วท่านจึงว่านิพพานนางปรามังศุญย์อย่างนิพพานศูนย์ ในศูนย์อะไรคือ ศ, ศูนย์เชื้อเชื้อที่จะทำให้เกิดมันศูนย์เมันหมดไปแล้วนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานไม่มีอะไรที่จะสุขยิ่งกว่าเพราะไม่มีอะไรที่จะมารบ ก, กวนพระไทยและใจของพระองค์อีกแล้วใจดรงนั้นเป็นใจบริสุทธิ์ไม่มีอะไรจะมาเกาอขวนพระใจพระไทยของพระองค์อีกแล้ว ถ้าจะวานิพพานเที่ยงก็ถูกต้องเพราะนิพพานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแปรปวนอีกแล้วนิพพานคือนิพพานนะเนพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเทศนาว่าการอบรมพวกเราท่านทั้งหลายคือจุดหมายปลายทางก็คือพอนิพพานแต่พวกเราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงจุดนั้นพระพุทธองค์ก่อนแนะนา สั่งสอนพวกเราอีกพวกสู่เจ้าทั้งหลายจะทำยังไงจึงจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขได้ในโลกวัตฏสงสารเพราะนั้นสู่เจ้าทั้งหลายตนต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้สู่เจ้าต้องมีทานนะอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละต้องอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันต้องมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันอย่าไปขี้ตะนีทีเหนียวทาว่าตัวเอง ได้มาแล้วไม่มีการแบ่งปันโลกทั้งโลกนี่ก็ไม่มีใครก็ไม่แบ่งไม่มีการแบ่งปันกันลูกเต้าเล้าหลานสัตสาลายสิงหมูหมากาไก่อยู่กับพเพเราก็ไม่ได้เพราะเาหตุไรเพราะเราไม่มีการแบ่งปันคนที่ไม่มีการแบ่งปันกันแล้วหาความพาสุขไม่ได้มีแต่ความเดือดร้อนอยู่ด้วยกันมีแต่เห็นแก่ตัวเท่านั้นการที่เห็นแก่ตัวต่างคนก็ต่างเห็นแก่ตัว ต่างคนก็ต่างเบียดบังซึ่งกันละกันต่างคนก็ต่างอิจฉาพยาบาทกันโลกทั้งโลกปรจิตตัวร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะฉนั้นพวกท่านทั้งหลายสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดที่มาอยู่ด้วยกันต้องรู้จักสงเคราะห์อนุเคราะห์กันนะอันนี้ก็คือทานะคือทา น, ค, านคือศีลการอยู่ด้วยกันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันละกันนะให้อยู่ในกรอบศีลก็คือพิจัย วินัยก็คือกฎฝมายกฎหมายคือกฎระเบียบกฎหมู่การอยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีเกณฑ์ถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องมีกฎมีเกณฑ์ก็ไดเ้เราจะร้องกระโดโดโลดเต้นยังไงก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะเราอยู่คนเดียวถ้าเราอยู่สองคนนะ่ยไม่ได้นะแอบ เ, พ, อเพ้อเพอไปดา่าพ่อด่าแม่เา้าอยู่คนอยู่ข้างๆถึงจะรักกันขนาดไหนต่อไม่พอใจเกิดขึ้นมาแล้วเพราะเหตุอะไรเพราะอยู่ด้วยกันสองคนเพราะนั้น ถ้าอยู่หลายๆคนก็ต้องมีกฎต้องมีระเบียบขึ้นมาแล้วต้องมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาต้องมีกฎหมายการอยู่ด้วยกันต้องมีกติกากันในการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นกติกาคือกฎเกณฑ์นั่นแหละคือศีลแล้วทีนี้แหอไม่ใช่อื่นไกลนะแต่ศีลก็คือกฎระเบียบกฎเกณฑ์การอยู่ด้วยกันแต่ถ้าว่าศีลขึ้นมาแล้วเหมือนกับคนคนเท่าคนแก่คนปดระหว่างเท่านั้นจึงจะรักษาศีลห้าศีลแปด สำหรับคนน้อยคุณหนุไม่จําเป็นเราจะไหวยอย่างนั้นไปอีกตามไม่จริงจําเป็นกับทุกคนทุกคนต้องเป็นผู้มีศีลถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบร่อมเย็นผาสุกในชุมชนและสังคมของพวกเราถ้าพวกเราขาดศีลอย่างเดียวเท่านั้นแหะความเดือดร้อนผุนวายเกิดขึ้นมาแน่แน่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่แพราะพระพุทธเจ้าท่านศีลของพระพุทธเจ้าที่ว่าศีลห้านี่นะศีลห้าก็ดีศีลอุโบสถศีลก็ดี เกิดก่อนพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วพระชาดกต่างๆในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าเกิดมาพบแต่ละพบแต่ละชาติสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็มีศีลห้ามีศีลอุโบสถหรือบางทีท่านก็เสียสละราชบัลลังก์ไปบวชอยู่ในป่ารักษาศีลอุโบสถเป็นฤาษีชีพายแต่ถ้าว่าเป็นฆราวาสหรือว่าเป็นอยู่ในบ้านเมือง ท่านก็มีศีลห้าปกครองพี่น้องปวงประชาทั้งหลายสงบโร่งเย็นเป็นสุขด้วยศีลห้านี่เป็นกฎปกครองโลกมาตั้งแต่ดึกตาบรรท้าจะว่ายอย่างนั้นไม่น่าจะผิดเพราะพวกเราคิดดูกันแล้วกันกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยออกไปจากศีลห้าคือศีลห้าเนี่ยเป็นแม่บทแม่แบบเออเป็นต้นฉบับของกฎหมายบ้านเมืองพวกเราคิดอย่างนั้นได้เพราะศีลห้าเนี่ยข้อที่หนึ่ง บอกขึ้นว่าสูา่เจ้าจะคิดฆ่ากันนะสูเจา้าอย่าฆ่ากันนะสูเจา้าอย่าคิดฆ่ากันนะขั้นสู่เจ้าคิดฆ่ากันจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุกไม่ได้คนนี้ก็จะฆ่าคนนั้นคนนั้นก็จะฆ่าคนนี้ในเมื่อเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่า ว, วงศาคนาญาติของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกยังไงเพราะ น, นั้นถ้าว่าทุกคนไม่คิดฆ่ากันเป็นยังไง อันี้หละศีลข้อที่หนอธินนาทานข้อที่สองเหมือนกันถ้าเราไปคิดขโมยเขาเเขามาคิดขโมยของเราแล้วจะมีความรู้สึกยังไงคําว่าขโมยคํานี้เนี่ยมันใหญ่นะไม่ใช่ขโมยเล็กขโมยน้อยนะอขโมยช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่อขโมยพ่อขโมยแม่ขโมยลูกเมียของเราไปเรียกค่าไทยเ่มันขโมยทั้งนั้นมันเดือดร้อนไหมเดือดร้อนฟุ่นไหวแน่นอน เพราะการขโมยเหยาเมสุมิชฉายาเขาเหมือนกันเหยาสามีภรรยาของใครเขาก็มีทุกคู่ทุกคนวงสาคานายาถ้าไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วละลาบละลวงล่วงเกินกันแล้วในชุมชนนกหาความสงบร่วมเย็นเป็นสุขไม่ได้อีกนี่แหละข้อที่3ามข้อที่4ีมุจจาวาทาวรมณีการโกหกคนอื่นเขาต้มตุนหลอกลวงเขา มันเสียหายอย่างมากเพราะเหตุใดต้มตุน่นไม่ใช่บางทีทําให้เขาจิบหายล่มจมทั้งครอบครัวทั้งตระกูลเขาก็มีเพราะเหตุไรอย่างพวกเราเนี่ยะเออไปซื้อของเราไปเสียนสันยงสัญญา เ, เขียนเขียนเช็คให้เขาอยนะ่างนี้เขียนเช็คเด้งให้เขาอย่างนะี้เราจะว่าโกหกไหมในเรื่องเช็คเด้งเนี่ยเป็นโกหกทั้งนั้นเป็นตระกูลนั้นตระกูลโกหกกว่างั้ น, นเพราะนั้นโกหกโกหกคํำนี้ มันตีวงกว้างแหญ่กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นศินของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเป็นสินคุ้งของโลกจริงๆเป็นต้นแบบต้นฉบับของการอยู่ร่วมกันจริงๆแล้วข้อที่ห้าสุราเมระยะมช่าประมาณ ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าพวกเราดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติคนขาดสติสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่าง พราคนขาดสติมันคนเป็นบ้าชั่วคู่ชั่วขณะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อขาดสติแล้วก็ทําความชั่วได้สินข้อที่หนึ่งขรุ่งเกินได้ข้อที่สองก็ได้ข้อที่สามก็ได้ข้อที่สี่จะยิ่งคล่องนะนี่เพราะเหตุไรเพราะว่าข้อที่ห้ามันเมาเอเมาเหล้าเมายาคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายามา่เนีอย่างเนี้ สลปแล้วสินของพระพุทธเจ้าคือคุ้มของโลกจริงๆนะอันนี้คือศินส่วนสมาธิที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าพระพุทธองค์ได้ได้ทําสมาธิยังไงที่โคลนต้นโพนั่นนะ่ะนี่แหละสะลปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนานี่การอยู่ด้วยกันก็คือการเสียสละคือทานเนี่ยที่จะให้พวกเราอยู่ด้วยกันร่วมเย็นผ้าสุกได้มีน้ําจิดน้ําใจต่อกัน มีน้ําเชื่อมคือการดูด้วยกันต้องมีมิตร ม, มีสหายมีวงสาคานาญาติมีพักมีพวกมีเพื่อนมีฝูงก็ต้องเสียสละต้องช่วยเหลือเจือจานซึ่งกันและกันอันนั้นนะคือทานศีลก็คือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นอันนี้คือศีลส่วนสมาธินั้น เป็นเรื่องของจิตใจสำหรับตนเองทำสมาธิทำยังไงและพิจารณาอะไรสมาธิทำจิตให้สงบแล้วเมื่อทำจิตให้สงบแล้วก็มาพิจารณาที่จะจ ะ, จะถอดถอนกิเลสนะในจะถอดถอนกิเลสออกจากวัตฏะสุงสารไมมาเวียนว่ายตายเกิดสำหรับพระสงฆ์พระที่บวชมาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ให้กรรมฐานห้า กรรมฐานห้าคือเกษาผมโรมาขนหน้าขาเรียบทันตาฟันตะโจหนังให้กรรมฐานห้าไ้ก่อนนะไปนำไปพิจรารณาอันนี้คือ <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านให้พระสงฆ์พระอุปชาให้กรรมฐานสำหรับคุณลุงบุตรผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเกษาผมผมอยู่ที่บนศีรษะของเราถ้าเราไม่สะไม่ฟอก ไม่ล้างผมติดกางไปหมดมีแต่สาบเหม็นสาบเหม็นสา ร, สารและเป็นยังไงขนของเราถ้าเราไม่ทำความสะอาดเป็นยังไงหน้าขาเล็บเล็บของเราไม่ล้างไม่เช็ดไม่ตัดมีแต่ขี้เล็บเต็มไปหมดแล้วเป็นยังไงท่านตาฝันนี่ฝันของเราไม่ล้างไม่แปลงฝันเป็นยังไง แต่โจหนังท่านเราไม่อาบน้ําชําระกายและเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นจริงยังไงคือเกศผมเป็นจริงยังไงโลมาผมเป็นจริงยังไงหน้าขาเล็บเป็นจริงยังไงท่านตาฟันเป็นจริงยังไงตะโจหนังเป็นจริงยังไงท่านยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นท่านมังสังเนื้อเข้าดูเข้าไปเนื้อถลกหนังเราไปถอนเนื้อออกอีก เออเอาเนื้อหนังถอดออกมาอีกเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังปูไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเกับในร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้ถามดูตัวเองให้ถามใจตัวผู้รู้รนั่นแหะเพราะในตัวของเรามีอยู่สองอย่างนะให้เข้าใจเอาไว้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองอยู่ในเนี้คือรูปธรรมและนามธรรม ร, ร, รูปธรรมคือร่างกายนามธรรมนั้นคือจิตใจตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตั ว, วรู้คือใจนั่นแหละไอ้ตัวจิตน่ะจิตใจนั่นแหะแต่ตัวรู้นั่นแหะคือตัวนามธรรมนั้นพระพุทธเจ้าหลักของพุทธศาสนาให้ความสนใจเรื่องนามธรรมมากกว่า ร, ร, รูรปธรรมรูปธรรมนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ให้ความสําคัญมากเสียบเพียรให้พิจารณาตนเองคือเอานามธรรมพิจารณา ร, ร, รูปธรรม วารูปธรรมเนี่นะร่างกายนะไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายแตกเอสลายแน่นอนนะอหมอย่างหลวงพ่อทูลที่นั่นนอนอยู่ในหีบในโรงต่อหน้าของพวกเราเดี๋ยวเนี้แอมพวกเราก็ไม่แพ้ท่านเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งข้างหนะ้าเพราะนั้นอยาเอมอย่าไปคิดว่าร่างกายนี่เป็นอย่างอื่นนะร่างกายนี่แตกตายสลายแน่นอนนะ ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราจะต้องตายจะต้องนอนทับถมแผ่นดินจะต้องแตกสู่ดินน้ำลงไปจะต้องเอาไฟเผาทิ้งร่างกายและทรัพย์สมบัติอย่างอื่นละ่ะพ่อแม่พี่น้องปวงสาคานายาตญาณิสหายตลอดถึงวัดวาศาสานาหมู่สมรหมู่พวกเพื่อนจะเป็นของเราได้อย่างไร ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้คือภาษาใจภาษาใจของแต่ละท่านให้คิดไว้อยู่เสม อ, อ, อไม่ใช่ภาษาพูดของเป็นภาษาคนถ้าพูดเป็นภาษาคนออกไปแล้วทะเลาะกันได้เพราะคนบางคนก็ไม่เข้าใจแต่นีเ้เมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาได้ฟังได้ศึกษาตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เราพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุและผลด้วยสิ่าจริงไหมเออ่ยพระพุทธเจ้าพูดจริงทั้งนะั้นเพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะออย่าลหลงไหลนะใจนะให้รู้เท่ารู้ทันนะใจนะเนีอย่าลุ่มหลงมั ว, มวเมาจนเกินไปนะใจนะอันนี้คือให้ปล่อยวางที่ใจถ้ามีอะไรเกิดขึ้น โลกธรรมสี่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเปิมตนวว่าโลกธรรมสี่มากระทบใจของเราเราก็ต้องปล่อยวางที่ใจเออโลกธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเอแต่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตวนของเราแล้วโลกธรรมเหล่านั้นเออมันจะเป็นของเราได้อย่างไรทั้งดีทั้งชั่วเอทั้งต้องการและถึงไม่ต้องการมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเอเพราะฉะนั้น เนี่ยเวลาเราโกรธโมโหโทสูโกโรธาให้แก่ใครเนี่ยเราก็ไม่เราก็มีเบลจัยของเราก็มีเบลไม่เตลิดเปิดเปิงแบบนั้นะเพื่อไม่ผูกอาคาตพยาบาทจองเวียนเขาเกิดไปแบบนั้นเถะเพราะเหตุไรเพราะเราคิดอยูแ่แอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องหนีจากเราเราก็ต้องหนีจากเขามันไม่ใช่ของจีรังถาวรเนเกิดมาในมนุษย์ไม่ถึงร้อยปีแล้วต่างคนก็ต่างไปแล้วเพราะฉะนั้น เราจะไปถือโทษโกรธโกรธเครืองให้โง่ทําไมสิ่งเหล่านี้มันก็ปล่อยวางที่ใจการปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นนะปล่อยวางที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆกคนพยายามปล่อยวางที่ใจถ้าเรารู้จักปล่อยวางที่ใจแล้วเรามีหน้าที่อะไรเราเป็นมีหน้าที่สมผานวัดเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นสมผานวัดในเมื่อเราเป็นหัวหน้า เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดในฐานะหัวหน้าในเมื่อเราเป็นลูกน้องเราก็ทำให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นลูกน้องแต่เมื่อทำดีขนาดไหนก็เถอะเราต้องคิดเป็นภาษาใจหรือบอกคิดไปในใจเสมอบ่าเอ้ยเราเป็นสมภารเนอร์ถึงเราจะพูดจะสอนจะแนะนำสั่งสอนเขาเป็นทีพ่พอใจเราขนาดไหนก็เถอะนะห ร, หรือไม่พอใจขนาดไหนก็เถอะนะ อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทั้งหมดเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างนขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะนั้นอย่าไปรุ่มหลงอย่าไปัวเมานะใจนะนี่แหละทำทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้พิจารณาถึงใจถ้าเราพิจารณาปล่อยวางที่ใจสอนใจและปล่อยวางที่ใจนั่นละนิพพิธาคือความเบื่อหน่าย ก็อยู่ที่ใจความหลุดพ้นจากอาสวัคเกเรตก็จะอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนมรรคผลที่พานไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่การเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางนั่นแหละมรรคผลทีพผานไม่อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเรีอกว่าการบําเพ็ญกิจภาวนาให้ ยึดจิตยึดใจพิจารณาดูจิตใจของเรานั่นแหะอย่าไปยึดอย่างอื่นว่าเป็นของดิีของดีของเลิศประเสริฐให้พิจารณาไว้อยู่เสมอว่านี่แหละคือสาระในการเป็นอยู่ของนักบวชหรือนักปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายผ่วงผงพ่อเองนึกมาถึงจุดนี้หลวงพ่อก็ไม่นึกถึงพระเถระองค์หนึ่ง เป็นน้องรุ่นน้องของหลวงพ่อแต่ก่อนท่านก็เป็นอยู่ที่ส่วนกลางคือทางกรุงเทพจากนั้นท่านก็รีดเรียนหนังสือจนได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณจากนั้นท่านก็รับเราออกไปปฏิบัติ ด, ดีกว่าแต่ท่านก็ออกมาปฏิบัติพอมาปฏิบัติแล้วทีนี้ข้างก็สร้างวัดพ่อสร้างวัดเสร็จแล้วก็สร้างวัดใหญ่โตทีเดียวก็สาเร็จรูปท่วงไปได้ดี ศรัทธาญาติโยมก็เห็นว่าเขาว่าเขาว่าสร้างวัดท่านสร้างวัดเก่งนะเขาก็ในมวลไปสร้างวัดอีกวัดนะท่านก็สร้างอีกคราวนี้มันใหญ่กว่าเก่าอีกวนะันศาลาเป็นสามชั้นเหมือนกันแต่ท่านแต่ก่อนนะีกูเคยไปเมืองนอกเหมือนกันนะไปเดินเมืองนอกไปไปดับไฟป่าไปดับไฟป่าไฟไหม้ป่าไปดับพอไฟควันไฟมันเข้าจมูกทีเนี่ยมันเข้าไปในปอดสลบทเลยเหมือนกั เกือบเอาตัวไม่รอดเกือบตายเท่านั้นท่านก็เห็นโทษโอ้ตายอยู่แค่เอื้อมจริงๆนะความตายนี่นะจากนั้นท่านก็เลยกลับมาเมืองไทยท่านก็เลยลาออกจากหน้าที่การงานแล้วออกมาปฏิบัติออกมาปฏิบัติก็คิดว่าจะเอาจริงเอาจังางนั้นแหละแต่จะไงจะเอาหาทางพ้นทุกข์ให้ได้ล่ะแต่ที้พอมาจริงๆพอมาเจอก็มาสร้างท้าวรวัตถุขึ้นมาอย่างที่บ้านวัดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้เอาวัดสองเห็ พอถึงวัดสอบก็ชะ า, ากำลังขึ้นชั้นสองตัวเองก็เลยป่วยแบบกระทันหันพอข้อไปโรงพยาบาลก็เป็นมะเร็งปอดเนี่ยพอเป็นมะเร็งปอดทีนี้ก็ไปหาหมอไอ้โรงพยาบาลทีนี้หลวงพ่อก็เลยถือโอกาสพอหลวงพ่อได้ไปช่วยโรงพยาบาลหลวงพ่อก็เลยแวะไปดูพระอีละป่วยหลวงพ่อก็เลยเข้าไปท่านก็บ่นในใจว่าเออท่านอาจารย์ ผมนี่นะคิดผิดไปเสียแล้วนะผมคิดว่าตามไม่จริงผมคิดออกมาแล้วมาสร้างวัดหนึ่งมันก็น่าจะเพียงพอก็ถูกต้องตามทํานองครองธรรมแน่เพราะว่าไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีวัดแต่ที่นี่ผมไปสร้างอีกวัดที่สอสร้างเพื่ออะไรตามไม่จริงไม่น่าจะสร้างน่าจะสร้างตัวเองให้พ้นจากหมดจดจากกิเลสอันนี้ไปสร้างวัตถุ ไปทุ่มเททางด้านวัตถุเสียมากกว่าเพราะนั้นผมว่าผมจุดนี้ผมพลาดไปเสียแล้วเอี่ยจันวา่ผมพลาดไปเสียแล้วถือว่าของที่มีสาระของที่เป็นสาระกลับว่าไม่เป็นสาระของที่ไม่เป็นสาระถือว่าเป็นสาระเพราะนั้นจุดนี้ผมผิดไปแล้วผิดพลาดไปในการประพฤติปฏิบัติธรรม ตาไม่จริงผมน่าจะเล่งภาวนาหาทางพ้นทุกในพรตตาสงสารอันนี้มันจริงจะถูกต้องอันนี้ผมเลยหนักทางด้านวัตถุกเกินไปเสียแล้วแต่มาถึงจุดนี้จะทำอย่างไงได้เนี่ยพอมันจวนจะจบชีวิตอยู่แล้วเนท่านก็วายชนะ่ไหมแต่หลวงพ่อเขเลยบอกอืมเอาเธอนะท่านเจ้าฟุญยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีความหวังอยู่ต้องเร่งขบะอี สัมมะสีสีเนี่ยอาจจะเป็นเคือบสุดท้ายที่จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลในจุดนั้นก็ได้เพราะนั้นพิจารณาดูให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขเวทนาจุดนี้แหละเอาเป็นหลักสูตรขึ้นมาเลยกระผมคิดว่า น, น่าจะถึงจุดจบเลยนะครับท่านจากูลอย่าไปท้อมันนี่แหละหลวงพ่อก็ให้คำกับท่าน จากนั้นก็ได้แยกย้ายกันจากนั้นไม่นานท่านก็ได้มรณะภาพลงไปอันนี้หลวงพ่อว่าอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องเป็นบทเรียนสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์แต่ว่าตามไม่จริงการสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ว่าในพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าขยะวยะธรรมมาสร้างฆารา อปมาเดนะซ้ำปาเดถัสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เป็นคำ ก, กลางๆเป็นอมะตะปาา่าจ่าค่อยๆประโยชน์ตนก็จ ะ, ะให้ขาดตุบบกข้องแต่ประโยชน์คนอื่นก็จ ะ, ะให้ขาดตุบบกข้องให้ไปด้วยกันถ้าพวกเราทำอย่างนั้นได้นะนะั้นเลิศประเสริฐคือตัวเองก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผล เป็นอริยะบุคคลถึงขั้นสูงสุดประโยชน์โลกก็ช่วยโลกให้ได้รับความสะดวกสบายกับการกระทำของเราที่ช่วยโลกอันนี้หลวงพ่อว่าสูงสุดเพราะนั้นหลวงพ่อในวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวทำมาก็เป็นเวลายาวนานที่พาสิทธิทยกขึ้นไว้เบื้องต้นว่า อเซวานาจะบาลานังบัณฑิตานจะเซวานาปูชาจะปูชนียานังอเซวานาจะาบาลานังให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์อย่างหลวงพ่อทูลของเราเนี่ยคือบัณฑิตนักปราชญ์ธรรมเทศนาของท่านที่วางไว้ให้ลูกหลานแนะนำสั่งสอนลูกหลานออมีมากมายอันนั้นล้วนแล้วจะเป็นบัณฑิตทั้งนั้นคื อ, อบัณฑิตก็คือศิษยห้าศิแปด สิงสองอยี่สิบเจ็ดพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนั่นแหละคือนักปัดบัณฑิตนักปัดไอ้พวกนั้นถ้าเราออกจากนอกนั้นไปเราบอกเป็นพานถ้าสวนทางออกไปข้างนอกไปว่าเป็นพานถ้าเราเดินตามสิงห้าที่พระพุทธเจ้าเอีที่บัญญัติเอาไว้เนี่ยคือบัณฑิตอาเชวนนาจะบาลานะบัณฑิต า, นาเนจะเสวนาปูชาจะปูชนียานะั บูชาบุคคลที่ควรบูชาถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักพระธรรมในไงเป็นผู้มีสิทสมบูรณ์นั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรบูชาบูชาจะปูชนียานังเอตมังฆะวุฒิตมังเป็นมงคลอันอุนดมถ้าพวกเราปฏิบัติถูกอย่างนั้นแต่พวกเราปฏิบัติไม่ถูกครบใจตัวเองคิดไปในทางชั่วกับตามไป ในใจของเรามันมีภาลชนกับบัณฑิตนะมันไม่จ้องคิดทั้งอื่นในใจของเราบางทีคิดชั่วนั่นแหละคือพาลถ้าคิดดีนั่นแหละบัณฑิตถ้าจิตใจเราคิดออกไปนอกถูกนอกทางจะไปจิ้งเหล่ามองยาจะอยากจะไปเล่นการพนันนั่นแหละพาลชนลจุดนั้นแต่พวกเราอยากปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่ทํามาค้าขายทําบุญทําทานสร้างคุณงามความดีอันนั้นแหละบัณฑิต คบบัณฑิตเอาไว้บัณฑิตกับภารชนไม่อยู่ในที่ไหนอยู่ที่ใจของเรามันเหมือนกับมะพร้าวสองหน่ออย่างนั้นอ่ะหนอนหนึ่งเป็นบัณฑิตหนอนหนึ่งเป็นภารชนมันอยู่ในเงาอันเดียวกันคือในใจดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นให้พวกเราตรวจตราพยายามตรวจตราดูให้ดียัง้าว่าวันไหนเวลาไหนมันออกไปทางภารชนแล้วก็เบรกเอาไว้ น, นี่เป็นจะไปหาสูน นตกนลกปกไหมนะเนี่ยฮะ ต, ต้องเบรกแต่ น, นี่ถ้าว่าพวกเราคิดเป็นทางเอออันนี้ถูกต้องแต่ถึงยังไงก็ตามนะมันจะสลับเข้ามาเรื่อยๆในใจของเราที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอากุศลบาปอากุศลหนึ่งก็ดีสองก็ดีสก็ดีมีอยู่แล้วอกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้น เหตุนั้นควรละเสียเพราะฉะนั้นเ ร, เ, รเราต้องจับจับตามองนะจับตามองที่ว่าสิ่งที่มันชั่วขึ้นมานะเราไปอย่างลดละกุศลก็ดีถึกุศลบุญกุศลก็ดีที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งก็ดีสองก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่มีที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรจะส่งเสริมให้มาก ขึ้นเรื่อยๆอมเป็นทางที่ดีนี่แหละสรุปแล้วก็คือบุญกุศลบาปอกุศลไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่าทั้งหลายเพราะนั้นให้ดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจเบื่อหน่ายที่ใจหลุดพ้นที่ใจใจท่านแลจะเป็นพระหันใจท่านแลจะไปตกนรกหมกไห้ไม่อยู่ที่ไหนใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาป ใจของเราเป็นคลังเป็นผู้รับบุญเป็นผู้รับบาปเพราะนั้นพวกเราควรจะสั่งสมบุญเข้ามาสู่คลัง้องใจของพวกเราวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมัมโภชกถาก็ยืดยาวพอสมควรต่อ น, นี้ไปก็หลวงพ่อได้มาแสดงธรรมในวันนี้ก่อนเนื่องในวันเกิดของหลวงพ่อชัยยาของพวกเรานะี่แหละขอให้ท่าน